ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่ถ้าเมื่อตัมโบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาทำจิตให้มีความสงบระงับให้เป็นอารมณ์อันเดียวให้อยู่ในความวิเวกให้อยู่ในความละเร้นในช่วงของจิตตะวิเวกทุกวัานอคารเรามาฝึก ทำนำธรรมะเข้าสู่ในใจให้มันมีความเย็นปฏิบัติไปด้วยกันท่านผู้ฟังหกสิบนาทีโดยประมาณทำอะไรทำจิตเขาให้สงบไงจะทำได้ยังไงต้องกำจัดสิ่งที่เป็นเครื่องกัน้นเครื่องขวางกำจัดสิ่งที่จะทำให้ฟุง้งซ่านม่วงซึม ไม่เข้าใจกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจของเรามันเป็นคนละส่วนกันบางคนจะบอกว่าโอ้ฉันฟุ้งซ่านฉันไม่สงบฉันว่วงฉันทําไม่ได้โอเคคุณมันมีพวกนั้นแหละมันจึงทําไม่ได้ไงเราต้องกําจัดพวกนั้นออกไปซะก่อนจิตมันจึงจะสงบวิธีกําจัดไม่ใช่แค่ว่าโอ้ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ทําไม่ได้เราไม่กําจัดมันก็ทําไม่ได้อยู่อย่างเดิม ทำไม่ได้จะทำไหมทำไม่ได้จะแก้ไขไหมทำไม่ได้จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในใจไหมก็คือทำไม่ได้แล้วก็ยอมรับอยู่กับมันไปอย่างนั้นเหรอมันไม่ถูกทุกคนสามารถมีการพัฒนามีการปรับปรุงศา ส, สนาคำสอนของพระพุทธเจ้าในตัมบวังเป็นศาสนาเป็นคำสอน ให้เกิดการพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปในทางที่ดีได้เราก็เอาสิ่งที่มันไม่ไดีออกไปแค่นั้นเองไม่ยากวิธีการที่เราจะนําสิ่งที่เป็นเครื่องขวางเครื่องข้องที่ท่านใช้สับเรียกว่านิวรนนั้นออกไปให้ได้ต้องเริ่มจากการตั้งสติก็เราขึ้นซก่อนต้องรู้สะก่อนว่ามันมี จริงๆแล้วที่บอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันจิตฟุกงสั้นดีแล้วเพราะรู้ตัวแล้วว่าเรามีความฟุ้งสัานรู้ตัวแล้วว่าเรามีความไม่เข้าใจรู้ตัวแล้วว่ายังมีสิ่งที่กั้นที่ขวางอยู่ในวีว น, นี้เราจะเจริญธรรมานุปัสนาเสดิปดานเป็นตอนที่สองที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของนิวรณ์ ในสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าให้ทำความเข้าใจนิวรนสองอย่างคือการม่เฉนทะความพอใจกำนัดยินดีเพลิดเพลินไปในทางการมและพยาบาทคือความคิดปองร้ายความคิดอาฆาตถ้ามีอยู่ในจิตใจของเราเราจับมันให้ได้การจับมันให้ได้ก็คือการที่เรา รู้แล้วนั่นแหละรู้แล้วตั้งสติไว้นั่นแหละคือการจับบันได้แล้ววันนี้มาเพิ่มเติมในนิวรณ์เรื่องกั้นที่เหลือคือความหดหู่ความเคลิบเคลิมท่านใจเข้า่าทีนะหมายถึงความหดหู่มิทะหมายถึงความเคลิบเคลิมความง่วงความฟุ้งซ่าน ทันใจคำาอุทจักความรําคาญใจทันใจคำว่กากุกุจจะและความเคลือบแคลงเห็นแยงไม่หลงใจทันใจคำว่าวิจิกิจฉาถีนะมิถังอุทจักกุกุ จ, จังวิจิกิจฉาอาวะระนังนีวะระนังเจตาโสอาชารูหังปัญญายะ ทุกพระหลีกระหนังนิวรณ์ถ้าเมื่อครอบงำจิตแล้วจะทำปัญญาให้ถอยกำลังแต่ยังไม่ลานิวรณอันเป็นเครื่องกลางกั้นจิตจะรู้ถึงประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจะทำให้แจ้งซึ่งยานาทณะนอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะ ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ด้วยปัญญาอันทุพพลภาพไรกำลังดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นิวรณโดยโรวมนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ทองคําทำฟังทองคําที่ว่าถ้ามันมีสารประกอบของดีบุกตะกัว่วโลหะเหล็กหรือโลหะอลลอยต่างๆก็ตาม เขาจะทาทองคํานั้นให้เศร้าหมองสีไม่สวยเนื้อไม่เหมาะสมคือมันปนกันเข้าไปในเนื้อทองคํานั้นเลยหลอมรวมกันเป็นอลลอยประเภทหนึ่งจิตเรานี้เหมือนกันนะที่ถ้าเราบอกว่าเออเราฟุ้งซ่านเราขี้เกียจเราง่วงเรามึนเราไม่เข้าใจต่างๆอ่ะนั่นเป็นปลาไรลก็เพราะว่าจิตของเรามันมีเครื่องเศร้าหมองนี้เข้าไปปรุงแต่งแล้ว มีเครื่องเศร้าหมองเนี่ยเข้าไปหลอมรวมกันแล้วช่างทองเขาต้องทำยังไงเขาก็ดูกันไว้ในนี้มีสารประกอบของทองไหมเขต้องฉลาดดูแน่นอนว่าจิตของเราทุกคนเนี่ยคฟังมันมีความประพัดสอนอยู่คือมีความสว่างสวยมีความสดใสยอยู่ในภายในถูกปะหล่ะเราไม่ได้ฟุ้งซ่านตลอดเวลาเวลาที่เราโฟกัสได้บางทีมันก็มี เราก็ไมาถึงง่วงขี้เกียจเบื่อตลอดเวลาบางทีเราเจอบุคคลที่น่าสนใจดูหนังที่น่าตื่นเต้นเราก็มีอารมณ์คล้อยไปตามเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นตื่นเต้นบ้างตกใจบ้างผวาบ้างรักบ้างตื่นตันบ้างมีหลายอย่างเลยอยู่ในใจใจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่สิ่งที่มากระทบ นั่นแหละมันคือโลหะต่างๆที่มาผสมกันอยู่ในทองคำก็ เ, เรียกเป็นสนิมของทองหรือเปรียบเหมือนกับเวลาที่น้ำมันไหลลงจากภูเขาท้งมดฟังถ้าเรานึกภาพตามคือระบบประปาภูเขาอย่างนี้ก็ได้ที่เขาจะใช้ความสูงมาเป็นประโยชน์ในการที่จะลำเลียงน้ำไปตามหมู่บ้านที่อยู่ตามเชิงเขา หรือในร่องผาต่างๆอย่างไรใช้ระบบประปาภูเขาก็ได้นึกถึงแบบนั้นแล้วถ้าเบอรว่ตน้ำที่มันมาตามร่องหรือตามท่อเกิดมีรูรั่วขึ้นมามีรอยแตกขึ้นมาแล้วน้ำที่ไหลออกไปที่ปลายสายมันก็จะไม่เต็มเหมือนสายยางนี่เราต่อไปรดน้ำต้นไม้หรือไปล้างรถ ปรากฏว่าสายยางมันมีรูรั่วโอ้มันมีตั้งห้ารูเนั่ยแหะน้ําที่ออกที่ปลายสายมันก็จะแผ่วเบาหรือบางทีมันไม่ออกเลยมันไปไหนนี่เหมือนกันจิตของเราเพรานัว่าถ้ามันจะส่งจดจ่อไปในเรื่องใดมันไปไม่ได้มันติดมันถูกขวางไว้มันถูกบังไว้มันถูกครอบงําไว้จะไปเห็นจดจ่ออะไรที่มันจำชัดไม่ได้นี่ลักษณะของนิวร จอจ้องลุไปอีกค่ะฟังในวันนี้เราเฉพาะลงมาในนิวรณ์สามข้อที่เหลือถ้ามันจะจบ น, นมันก็ดูเราจะทำได้ไหมเราจะเข้าใจลึกซึ้งในทั้งสามข้อนี้ได้หรือไม่ในข้อแรกทีนะและมิทธะเป็นสองคำที่แยกกันท่านแยกมาใ้ทีนะหมายถึงความหดหู่แบบเหงาแบบ เศร้านะมิทะหมายถึงความเคลิบเคลิม้มคือซบเซาเมามึนมึนตึงมัวเมาเป็นลักษณะของทีนามิทะสองคำรวมกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราง่วงนอนตอนกลางคืนนะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่หากินกลางวันนอนกลางคืนสัตว์อื่นๆอย่างเช่นสิงโตหรือนกเาแมว เราก็จะนอนกลางวันแล้วก็ออกหากินกลางคืนต่างกันมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่ทาให้เรารู้สึกง่วงนั่นคือเมลาโทนินที่จะถูกหลั่งออกมาในเวลากลางคืนเราก็จะรู้สึกง่วงความรู้สึกง่วงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกันกบที่นะและมิทะอย่าไปเหมารวมเอาความง่วงที่เกิดจากทางร่างกายเวลาต่างๆที่มันเหมาะสมที่จะนอน รวมไปหมดว่าเป็นทีนามิธาเพราะอาการง่วงอย่างนั้นมันเป็นอาการง่วงของทางกายแต่ถ้าทีนามิธานี้เป็นของจิตตัวังจิตที่เราถูกปรุงแต่งอยู่ด้วยความง่วงเหงาหดหูและความบซบเศามัวเมาหมึนเคลือบเคลิมเคลิมเ ป, ปรียปไวเหมือนกับเวลาที่เราจะเอาน้ำเนี่ยนะ น้ำมาทำให้มันใส่หม้ อ, อไว้แล้วก็ให้มันนิ่งๆจะได้ส่องดูใช้เป็นกระจกปรากฏว่ามีอะไรบังเต็มหมดเล้วจอกแหน ม, มาบังนี่อ้าวจอกแหน ม, มาบังก็เห็นแต่เขียวละ่ะมันจะไปเห็นหน้าเราได้ยังไงนั่นแหะไอ้เจ้าดุีน้มิท่าเนี่ยมันบังเอาไว้เพป็นไปไว้เหมือนกับคนที่ติดขุกถูกจับขังถูกจับขังเข้าพุกหน่อ ใครเคยติดคุกหรือเคยไปเยี่ยมคนที่คุกหรือดูหนังชีวิตที่ของคนอยู่ในคุกนี่เราจะรู้ได้ว่าโทษในคุกนี่มันไม่ได้อยู่สบายนะมันจะมีความลำบากคนที่เจ็บตัวบ้างถูกริดถยบ้างเสียงเงินบ้างไม่ได้อยู่สบายคนที่ถูกจับขังไว้ด้วยทีนมิ t h คือความง่วงซึมความหดหู่อันนี้ยังรวมถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะท่านผู้ฟังคนที่บอกว่ามันไม่อยากทําอะไรอยากเอาแต่นอนนอนนอนอยังไปเมารวมการนอนด้วยความง่วงทางกายว่าเป็นทีนนมิได้ทั้งหมดนะแต่เรากาลังพูดถึงคนที่ขี้เกียจลนะหนึ่งอย่างกําลังพูดถึงคนที่เศร้าเหงาหงอยแบบไม่รู้จะทําอะไรซึมเศร้าหรือคนที่ เสพยาแล้วก็มึนแล้วก็เคลิม้มพูดบางทีไม่รู้เรื่องเมากัะชากไง ấy, นี่เลยธีนามิาทะทถูกขังไว้แล้วถูกจับขังไว้อยู่ด้วยธีนามิ t ะจิตใจจะแจ่มใสเหมือนน้าใสๆไม่ได้เพราะว่ามีจอกแหนมีสิ่งมาปกคลุมอยู่บนผิวน้าแล้วมันไปไม่ได้เลยแล้วพอคิดวนนะ คนทเป็นจุมเศร้าเป็นต้นนี่คิดบนหลูกคือมีลักษณะย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำเรื่องนี้ทําให้เราเศร้ามองทําให้เราหดหูก็คิดแต่เรื่องที่จะทําให้ตัวเองหดหูเอาคิดแบบนั้นมันก็เป็นอาหารของนิวร์เนความคิดที่เป็นทางอากุศลคือมโนกรรมที่เป็นทุจริตมโนกรรมที่เป็นทุจริต เวลาพูดบางทีพูดด่าคนนั้นว่าคนนี้เห็นไม่เข้าใจฉันตีเตียนต่างๆนั่นนี่อารมณ์ขึ้นลงแล้วก็พูดไปตามดีลงไม่ลงมือมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นทุจริตนั่ น, นแหละเป็นอาหารของนิวร์เลยความหดหู่ความซึ่งซึมความขี้เกียจความไม่เข้าใจสถานการณ์มันยิ่งเพิ่มขึ้นมันจะ อุ้มหอรัดครอบงำจิตของเราให้มันไม่สว่างให้มันเศร้าหมองให้มันแบบแตกง่ายเปราะ บ, บางเหมือนทองคำที่มีสารอลลอยเจืออยู่อย่างมากเขานี่แตกเลยมันมันเปราะ บ, บางโดนเรื่องกระทบอืมยิ่งสร้างอากุศลทางวาจาหนักขึ้นไปอีกคิดน้อยใจต่อไปอีก ไอ้ความคิดน้อยใจความคิดซึมเศร้าหดหู่รวมถึงขี้เกียจอยู่ในนี้เลยคนขี้เกียจเอาแต่นอนห้องก็รกจะมาหล่ะห้องรกแล้วแบบเออไม่รู้จะทำไงอ่ะโยนของลอยอีกก็ให้มันรกต่อไปพื้นอย่างเงี้ยบางทีวางของเต็มบริดมีช่องทางเดินนิดเดียวห้องใกลเป็นยางั้นรีบแกนะหรือโต๊ะทางานางนี้ออโอ้โของอะไรกองกากซ า, ากเต็มไปหมด แล้วก็วางของใหม่ลงเปหาก็หาไม่เจอแล้วก็ไม่เก็บด้วยนะไอ้ไม่เก็บนี่มันเป็นทุจริตทางกายนะเป็นทุจริตทางใจนะเพราะว่าแบบไม่อยากทําเพราะว่าแบบขี้เกียจเพราะว่าแบบโวยไม่รับผิดชอบอืมลักษณะจิตใจแบบนี้เป็นอกุศล น, นะยิ่งจะเป็นอาหารของความขี้เกียจต่อไปอีกจะแก้ในแก้ยังไง เต้องตัดอาหารของมันซะก่อนไงตัดวงจรอาหารของเจ้าความง่วงซึมนี้คนอยู่ในคุกก็ต้องรู้ตัวซะก่อนว่าตัวเองติดคุกเฮ้มองอะไรไม่เห็นนี่ก็ต้องรู้ซะก่อนนะว่าในเครื่องล่างนี่มันมีน้ําที่สามารถสะท้อนให้เห็นเงาหน้าของตัวเองได้ตรงนี้คือจอกแหนเราต้องรู้ตัวมันซะก่อนจับมันให้ได้ซะก่อน รู้ว่าเราเป็นซึมเศร้ารู้ว่าเรามันง่วงซึมแบ บ, บซบเซาหดหู่รู้ว่าแบบมึนตึงไม่เข้าใจสถานการณ์อะไรก็เคลิบเคลิมไปตามไปหมดคนเราเนี่ยบางทีจำสายอยู่นะคือลุกเดินทำงานนั่นนี่นแต่ว่ามัวเมาแต่ว่าเคลิบเคลิมเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนเดินละเมอ่ะ เคยเห็นคนละเมอเดินไปพูดบ้างเดินไปที่นั่นที่นี่บ้างทำนั่นทำนี่บ้างคนเราทุกวันเนี่ยตื่นอยู่เนี่ยนะแต่ไม่ตื่นนะหลับอยู่ตื่นไปทำงานขับรถเดินทางประชุมพูดคุยแต่ว่าศพเศรา้าแต่ว่าในจิตใจเนี่ยหดหูแต่ว่าในจิตใจเนี่ยเศร้าหมองมัวเมาเป็นมันมีซ่อนไว้อยู่ข้างในไม่ได้แสดงออกมา อย่าเพิ่งพูดถึงวิธีแก้วิธีแก่เนี่ยเอาไปตอนท้ายวันนี้อยากจะเอาหัวข้อเรื่องของนิวรณประการที่สี่มาพูดต่อกันเลยนิวรณมีห้าอย่างก่อนที่หนึ่งข้อที่สองเราพูดไปแล้วในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องของการมชฉันท่าและปายาบาทวันนี้พูดถึงเรื่องดีนะมิทะอันที่สามและอันที่สี่คือความฟุ้งซ่าน ความรําคาญใจท่านแยกได้สองสับทาำฝังความฟุ้งซ่านใช้คําว่าอุทธจักความรําคาญใจใช้คําว่ากุกกุจจ์เขาออกมาใส่ไว้ด้วยกันรวมกันเอาไว้จึงเรียกรวมมาอุทธจักกุกุจจ์แปลว่าความฟุง้งซ่านความรําคาญใจต่อเนื่องกันเลยแต่จริงๆแล้วเป็นสองสับไงอยกให้ดูแบ่งได้เป็นสองส่วน เอาความฟุ้งซ่านก่อนตูมูฟังลักษณะความฟุ้งซ่างนี่คือความพล่านไปแห่งจิตที่มันจะไม่อยู่นิ่งเดินมันจะไปนี่มันก็จะไป น, นี่คือลักษณะความวุ่นวายใจความไม่สงบเป็นความฟุ้งซ่านในเจ้าอุทจารย์นี่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องร้ายรัดเบื้องสูงหมายถึงมันรัดลึกมันรัดแน่น เป็นลักษณะความกระเพื่อมที่แม้แต่จิตของคนที่เป็นสมาธิกรณีของท่านพระอนุรุทธะ<ๆ>ก็ยังถูกเจ้าความฟุ้งซ่านแบบนี้ครอบงำในขณะที่ท่านก็มีตาทิพยแล้วนะมียานในการที่จะเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นอดีต<ๆ>เห็นอนาคตแต่ลักษณะความที่จิตมันกระเพื่อมไปอย่างนั้นและแต่แล้วท่านพระสารีบุตรบอกว่า เป็นอุทจจะของท่านพระอนุรธุธะถึงยังไม่บรรลุในคราวนั้นนี่จิตยังเป็นสมาธิอยู่นะท่านเปรียบเหมือนกับผิวนา้าพี่ว่าเราจะให้มันนิ่งๆพอดีจมะมาส่องดูเงาหน้าของตนเกิดมีลมพัดมาพัดมาวุ่นๆๆเลยผิวน้าก็เกิดเพื่อมไงเป็นคลื่นไง คลื่นบนท้องทะเลก็เกิดจากลมที่พัดไปพัดมาเนี่แหละคุณผฟังมันไม่นิ่งเหมือนกันจิตของเราถ้ามันจะคล้อยเคลื่อนไปดูสิ่งนั้นอยากไปสิ่งนี้คือแม้แต่ว่าเช่นวิตควิจาร์อย่างเ ง, นะงี้ยนะคุณผฟังวิตควิจาร์คือความคิดที่เป็นกุศลธรรมนะถ้าบอกว่าจิตเนี่ยมันก่อนเดี๋ยวเคลื่อนไปคิดอันนี้แล้วก็ไปคิดอันนั้นแล้วก็ไปคิดอันโ น, น้นแต่และความคิดเนี่ยเป็นบวกหมดเลยนะ เป็นกุศลธรรงหมดเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามหมดเล ย, เยแล้วตาองค์ประกอบของสามาธิอันอื่นๆเต็มขึ้นพร้อมอันนี้ถือได้เลยว่าเป็นชานหนึ่งนะแต่ชานหนึ่งไม่ใช่ว่าจะสงบดีที่สุดแล้วเลยพูดอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะมีที่สงบดีลงไปกว่านั้นนี่คือเอาส่วนที่เป็นความที่ต้องเคลื่อนไปความที่จะต้อง move ไปความที่ว่าจะต้อง แบบไม่อยู่นิ่งนะเนี่ยมันคืออุท ธ, ธจักรลักษณะที่ฟุ้งช่าิแล้วลักษณะที่ต้องเป็นใบลักยังคำว่ากุกุจจ์แปลภาษาไทยว่าความรำคาญใจเป็นลักษณะความที่แบบมันกังวลนิดๆ น, ดนะนเดือดร้อนมันรำคาญมันใช่ไหมหรือกังวลความยุ่งใจตัวอย่างที่ท่านให้ไว้อธิบายคือว่า เอ้อันนี้มันมันควรกับเราไหมหรืออันนี้มันไม่ควรกับเราคนณี้ของพระสงฆ์ก็อย่างเช่นว่าเอ้ตอนนี้มันเที่ยงเที่ยงพอดีนะ่จะกินอะไรสักหน่อยได้ไหมเที่ยงห้านาทีนี่แหละนี่แหละมันมีความกังวลใจนิสหนึ่งเกิดขึ้นละยุ่งใจเกิดขึ้นละหรือสําคัญสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษ สิ่งที่ควรว่าไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรว่าควรเนี่ยลักษณะความที่สำคัญผิดเข้าใจไม่ถูกเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะนานๆเนี่ยคือความยุ่งใจความเดือดร้อนความราคาญความไม่มั่นใจความแบบเคลือบแคลงซึ่งความเคลือบแคงเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของวิจิกิจฉาแต่นี่คือเจาะจงลงมาในความราคาญใจเดือดร้อนใจ ลักษณะจิต ท, ที่เป็นแบบนี้คือมีกุกุจจ์ความรำคาญใจความยุ่งของใจความเดือดร้อนของใจแต่จึงเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ตกเป็นทาส ด, ด้วยคนที่ตกเป็นทาสนะ่ซึ่งเขายกเลิกเลิ ก, ลกทาสกันไปตั้งนานแล้วใช่หมสมัยปัจจุบันก็จะเป็นระบบ ก, การจ้างงานมีการจ่ายค่าแรงชนิดที่เรียกว่าเอากอก็มันพอเหมาะสม กับงานที่ทําซึ่งบางคนนี่ถูกจิกหัวใช่อย่างกับเป็นทาสคนที่ตกเป็นทํางานเพื่อเงินอนะ่ะจะเรียกว่าเป็นทาสก็ได้เป็นทาสของเงินไงเวลาคนที่ตกเป็นทาสนี่เขาก็จะถูกเจ้านายจิกหัวใช้จิกหัวนี่เป็นสำนวนนะท่านฟังไม่ใช่หมายถึงว่าเอาไปไปจิกผมเขาจริงๆริง ตัวจะสุกสั่งงานนี่ก็ไปไปทำอันนั้นเดี๋ยให้ไปทําอันนี้อย่าทําอย่างนั้นนะอย่าทําอย่างนี้ยิงทํามีนายหลายคนนะโอหญิงบุนเลยเนี่ยลักษณะของความฟุ้งซ่างเนี่ยลักษณะของความรําคาญใจนี่มันเป็นอย่างนี้โอ้นายคนนี้สั่งอย่างนี้เอานายอีกคนหนึ่งสั่งอย่างนี้เอาแล้วมันจะยังไงกันแนะ่เริ่มละเริ่มละโอ้แล้วก็จะพยายามอันนี้จะกระทำไม่ได้แล้วจะทํายังไงกันแนะ น, น่อาณาณัต นี่แหะความฟุ้งซ่านความรําคาญใจอุดทัศน์กุกุ จ, จักเหมือนที่กลัวด้วยนะรวมความกลัวความกังวลว่าไอ้เขาจะมาทําอะไรเราไม่เราทําได้ไหมหรือฉันจะทําได้หรือเปล่าโอ้ยจิตใจของคนที่ตกเป็นทาสนี่ยนะมันวุ่นวายมากไม่ต้องเอาอะไรมากการเมืองในที่ทํางานอีกต้นนะการเมืองในที่ทํางานที่เจ้านายคนนี้แล้วก็เจ้านายคนนั้น พวกนั้นแล้วก็พวกนี้เวลาจะทํางานสักอย่างนี้ต้องคิดหลายอย่างมากเลยนะทั้งการเมืองทั้งเรื่องการงานทั้งก็ยังเรื่องการเงินอีกนานเอาแล้วอุตจาร์แล้วฟุงชาแล้วนี่แล้วเขาจะไหวยังไงนะนันยุ่งใจแล้วรําคาญแล้วกูกุจ่าเข้าคร่ะหงานแล้วจิตใจเนี่ยวันวายแล้วแต่พยายามที่จะบอกว่าโอ้ให้มั่นคงนะ่ะฉันก็ทํางานของฉันไปเออกับ ยังรักษากายรักษาวาจาได้ก็ดีแต่จิตใจที่มันขึ้นขึ้นลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา AB ฟุงชั่นนำการใจอยู่เนี่ยมันก็จะไม่สงบนั่นคือนิวรณ์ประการที่สซึ่งเป็นอันที่สองที่เรายกขึ้นมาอธิบายในวันนี้ส่วนนิวรณ์ประการที่5คือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่หลงใจ ต่นใช้คำว่าวิจิกิจฉาต่นก็จะแปลว่าความลังเลความสงสัยลังเลเใช่ไม่ใช่สงสัยเอ่ยว่ายังไงต้องเจาะจงลงมาในทั้ง8เรื่องนี้ตัมบฟังเคลือบแค ล, ลงไม่เข้าใจไม่ลงใจมันใช่หรือเปล่าหรือยังไงนะใน8ดเรื่องนี้ตัมบฟังคือ1ในพระพุทธเจ้าเอ่ยว่าพระพุทธเจ้า ร, รู้จริงไหม มีจริงหรือเปล่าบุคคลที่ตรัสรู้แล้วจะมาบอกสอนคนอื่นมันไม่น่ามีนะ้หรือมีหรือเปล่ามันไม่น่าใช่นะอันนี้นี่ความเกลือบแกลงความไม่หลงใจความสงสัยในระศาสดาอย่างที่สองคือในพระธรรมในพระธรรมเฮ้มันจะถ้าคนทำตามนี้มันจะได้เหรอจริตคนที่จะเป็นสมาธิแล้วก็แบบจะเห็นตามความเป็นจริงหลุดพน้น หรือว่าพวกหาะเออเดินอากาศมันไม่น่ามีนะนั่ น, น, นความเคลือบแคลงในประธรรมยังอย่างที่สาความสงสัยไม่ลงใจความเห็นแย้งในพระสงฆ์สงหมายถึงการปฏิบัติโอเคบางคนอาจจะเชื่ออยู่ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีการตรัสรู้จริงสอนไว้แล้วพระธรรมนี่ก็ดีอยู่ไม่มีปัญหา แต่คนที่มันจะปฏิบัติคนที่จะมาทำตามนี้ได้ให้ได้ผลเหมือนกับเราพระอราหันต์ที่อยู่ในการก่อนโอยสมัยนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วอ่านั้นา น, านั้นนี่คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งในประสงค์การปฏิบัตินั่นเองพอคิดอย่างนี้แล้วตัวเองก็ไม่ลงมือปฏิบัติเห็นคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่ศรัทธายิงจะไปขวางเขาอีกพูดให้เขาเสียกาลังใจอีก แล้คือความไม่ลงใจในประสงค์เป็นอย่างที่สามอย่างที่4ี่คือสิกขาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติตัวเองจะลงมือทอําอ่ะไม่เรามันจะไปทําได้ยังไงฉันทําไม่ได้ฉันทาไม่ได้ ฉ, ไไดฉันจิตฟุง้งซ่านฉันไม่กลอย่างนี้นั่นไงความเกลียดแกลงความไม่มั่นใจความไม่ลงใจแล้วทํางไปกุณมั่นใจในความฟุงงซ่านของตัวเองเหลือเกินนี่แหละความวิจิกรรมมันพาไป แต่ไม่มั่นใจในการที่ว่าตัวเองจะทำแล้วมันจะได้แต่มั่นใจว่าตัวเองถ้าทำแล้วมันจะไม่ได้ตลกปะก็อนั่นแล้วใช้ผิดที่ผิดทางใช้ไม่เกิดประโยชน์เอาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คิดว่ามันไม่จะทำได้เป็นประโยชน์ไม่ได้ไอ้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เออดันเห็นว่ามันจะเอาสิ่งนี้แล้วมันจะมาให้ฉันไม่ต้องลงมือทำมันมันก็ไม่ค่อยเข้าทางไง เปลี่ยีอยู่วิจิกิรนีแล้วมันดำไม่เปลียนไม่ใช่ตัวบุคคล น, นะนะแต่ตัวเราฟุงงซ่านเนี่ยเราอย่ไปคิดอย่างนั้นคือความฟุ้งซ่านมีอยู่ในจิตของเราเป็นคนละตัวกันสิกขาการศึกษาด้วยการปฏิบัติเนี่ยมันจึงเอาออกได้แต่พอมีวิจิกิารแล้วมันไม่ลงมือทําไงยังมีความเครือบแรลงความสงสยัยความไม่ลงใจในส่วนที่เป็นอดีตในกิจการที่5ในส่วนที่เป็นอนาคต น่นคือประการที่6และทั้งในส่วนที่เป็นอดีตและอนาคตน่นคือประการที่7และยังมีความเคลือบแกลงในปฏิจจสมุปบาทว่าเอ๊ะมันจะมีเหตุมีปัจใจัยในสิ่งต่างๆนั้นได้อย่างไรลักษณะของวิจิตรชัย ม, มันแผ่ซ่านไปตั้มวังคือมันไม่มีที่ลงที่จะจบได้ไม่เป็นทางตรงเดี๋ยวคุณเดินไน้ไปเจอทางแยกและซ้ายหรือขวานีา่ยไปทางนี้แล้วกัน เดินเดินไปไปเจอทางแยกอีกละขวาหรือซ้ายนะเามีตรงด้วยเอาไปทางนี้แล้วกันเดินเดินไปไปเจอทางแยกอีกละ5้าทางหทางแต่ละจุดละจุดเนี่ยพาไปคนละที่คนละทางสงสัยเป็นสองแง่สองแามไม่สามารถคือเอาฟันธงโดยส่วนเดียวได้คิดแสสายไปคิดพร่าไปไม่จะยุติได้พอจิตมันเดินไปตามทางนี้ยิ่งเศร้ามองลงยิ่งเศ้ามองลง วิจิการนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะที่ท่านเบยบเทียบไว้าเหมือนน้าที่มันขุนด้วยเปลือกตมขุนด้วยเศษดินตะกอนที่มันแฝงอยู่ในน้าเคยเห็นน้ําขุนไหมน้ําขุนขุนเลยอะท่านผฟังโอ้ขุนมันก็มองไม่เห็นอะไรไม่ใสบางทีเขาต้องใช้สารส้มไปกวนสารส้มไปกวนแล้วมันก็เป็นระบบของ พันธาเคมีในการที่จะไปจับโมเลกุลของวัตถุสารประกอบอื่ น, นๆในน้ำให้มันหนักลงมันก็ตกตะกอนลงน้ำจึงใส่อยู่ข้างบนได้ลักษณะของเจ้าวิจิกิจชาเนี่ยมันไม่ลงไงมันไม่ตกตะกอนลงไปมันคุณอยู่มันค้างอยู่หรือว่าเวลาที่เราปิดไฟมืดๆจ น, เ, นเปรี๊ดได้ไวอา้าจะใช้ น้ำเป็นกระจกส่องดูหน้าของตนเองต้องนึกถึงชาบ้านนะท่าังสมัยก่อนมันไม่มีกระจกเงาแบบที่เรามีทุกวันนี้ฉนเฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้นแหละถึงจะซื้อโลหะแผ่นใหญ่ๆนำมาขัดให้เงาๆดูเป็นกระจกได้แต่ถ้าบอกว่าคนชาวบ้านไม่มีเงินไม่มีทองก็เอาน้ำนี่แหละมาใส่กระมังใส่ภาชนะ แต่ด้านเอาไปไว้ในห้องมืดๆนีม่ ม, ม, ม, มันจะไปเห็นได้ไงมันต้องมีแสงนั่นละคือวิจิกิชาแต่ด้านเอาน้าขุ่นๆอย่างนี้เอามาส่องดูโอ้ยมันก็เห็นไม่ชัดความเพี้ยนของสีความเพี้ยนของแสงสะท้อนมันก็จะมีวิจิกิจิชาทำให้เข้าใจผิดพลาดเกลือบแกลงเป็นสองแง่สองงามท่านเบไวเหมือนกับคนที่นาทรัพย์เดินข้ามทางกันดาน เราก็จะคอยกังวลว่าจะมีใครมาขโมยไหมเนาะอย่างเช่นว่าถ้าเราไปธนาคารนะเราเบิกเงินออกมาเป็นแสนแสนนะ่ะหรือบางคนเบิกเงินมาเป็นล้านนะ่ะเงินสดอะ่ะปึ่งเป็นล้านนี่คุณถือไม่ได้นะคุณต้องใส่กระเป๋ามาใส่กระเป๋ากางเกงก็ไม่ได้นะตั้งหนึ่งเป็นล้านนี่ต้องใส่กระเป๋าถือหรือกระเป๋าเจมส์บอนหรือบางคนไปร้านทอง ไปร้านเพชรซื้อทองซื้อเพชรซื้ออัญมณีที่มีค่ามีราคาสูงสูงไหมหรือบางคนไปร้านแฟชั่นไปร้านกระเป๋าเนี่ยนะจ่อจงองลงไปกระเป๋ากับรองเท้าเนี่ยไปซื้อกระเป๋าโอ้โหกระเป๋าใบนี้ส 0,000 นกระเป๋าใบนี้ห้าแ 0,000 นรูดบัตรเรียบร้อยถือใส่กล่องใส่ถุงเดินออกมาบางทีนี่ดีใจใ ช, ใช่ไหมว่า จนซื้อกองมาแล้วเนี่ยแต่ลึกๆอะ่ะบางทีถ้าเราเดินไปเห็นคนที่มีท่าทางไม่น่าไว้วางใจสัหน่อยหนึ่งเดินสวนมาอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเราขึ้นรถไปแล้วมีมอเตอร์ไซค์ท่าทางมีพิรุษสายนมาจอดข้างๆอย่างงี้นะมันจะกังวลใจนะว่าเขาจะมาทําอะไรเราหรือเปล่านะเขาจะรู้ว่าเรามีเงินล้านเขาจะรู้ว่าเรามีทรัพย์สินจะมาขมโมยอะไรเราหรือไม่ ความกังวลใจนี่ น, นความเคลือบแคลงไม่ลงใจกับคนที่เราก็ไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขาจะไปทำอะไรเราไหมนี่มิจิกิจาตัวบังแต่บางทีเขาอาจจะเป็นแค่คนเดินสวนทางมาเป็นเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนเท่านั้นเองไม่ได้จะทำอะไรให้สหน่อยแต่ว่าความกังวลใจมันมีไปแล้วไงความลังเลเคลือบแรง ท, งทั้งที่เป็นภายในก็มี ความลังเลเคลือบแคล ง, งทั้งที่เป็นภายนอกก็มีความเข้าใจไม่ถูกความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องตัวเราว่าใหเราน่าจะอยู่ไปได้อีกหลายปีนะอันนี้นี่คือความเข้าใจไม่ถูกละเป็นความเครือบแคลงละแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราคือมันไม่เที่ยงไงเดีย๋ยวาไปต้องพูดถึงอีกหลายปีเลยพรุ่งนี้มันจะอยู่ถึงหรือเปล่า หมายควว่าเรานอนลงไปคืนนี้อ้ปุี้เราจะตื่นมาหรือไม่หรือว่าในขณะที่เราทํางานอยู่นี่บางทีเราอาจจะอึกอ๊กอขึ้นลมตีธาดดินธาดหน้าไม่สมประกอบกันยังไงบางคนจะเป็นสโตรกอะ่ะขับรถอยู่ขับรถอยู่เนี้ยเป็นสโตร k ขึ้นมาเอาแขนหล่นลงไปข้างนีง่ทําไมเป็นอย่างนี้โอ้มันลิ่มเลือด ม, ม, ม, ม, มันอุดตันอยู่ในสมองเราจะไปรู้ได้ไงมันไม่แน่ในเรื่องขันเรื่องร่างกายของตนภายใน สงสัยว่าเอมันเกิดมายังไงเนี่ยมันไม่ลงใจอ่ะมันจะค้างเติ่งอยู่วิจิกิิชาภายในส่วนถ้าสงสัยเรื่องภายนอกว่ามนุษย์เป็นยังไงเทวดามีไหมใช่หรอชาตินี้ชาติหน้าภายในภายนอกอรียนาคตนี่เป็นวิจิกิช า, าในภายนอกแล้วสิ่งนี้นะทุมฟังในเจ้ายวงของนิวรน์ทั้งหมดเลยเนี่ย มันเป็นความเศร้าหมองที่ว่าถ้ามันไปติดกับอะไรมันก็จะทําให้สิ่งนั้นมันเศร้าหมองไปหมดกรณีของวิจิกรชาความสงสัยเนี่ยความเกลื้อแกลงความไม่ลงใจมันเป็นเหมือนต่อมตํามฝังนี่เกิดขึ้นกับตัวพระพเจ้าเองเลยตอนที่เริ่มมาศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าใหม่ๆเนี่ยโอ้สงสัยมากพระมหาภัยบูร์นี่ต่อมสงสัยนี่มันใหญ่มากแล้วก็เยอะมาก มันไปติดกับทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดไปติดกับทูบกูสงสัยว่าทำไมทูบต้องสามดอกโอ้ครูบาอาจารย์พระปี่เลี้ยงท่านบอกว่าเอาก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงโอมันติดกันไม่ได้เลยจะมาประวัติท่านแก้ให้คลายให้งัดออกให้แล้วแต่ถ้าต่อมสงสัยยังอยู่นะเดี๋ยวมันก็ไปติดกับเทียนก็ได้เอาเป็นติดกับเทียนว่าทําไมจิตต้องสองเล่มถ้าไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเออ โอ้ธรรมะและวินัยไงเป็นธรรมเป็นวินยัยสองอย่างโอ้งัดออกให้แล้วเขี่ยออกให้ไอ้ตอมสงสัยมันติดลงไปไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์พระพี่เลี้ยงท่านให้ปัญญามาแล้วอ่ามีความรูม้มีความเข้าใจมีครูบาอาจารย์บอกสอนก็ชาระเอาเจ้าต่อมวิจิกิจานี่ออกไปแต่้มันยังอยู่นะมันไปติดกับอย่างอื่นะ เดี๋ยไปติดกับโต๊ะหมู่บูชาเดี๋ยวไปติด ก, กับกหูพระพุทธรูปทำไมพระพุทธรูปต้องหูยาวแล้วก็ไปติดกับสิ่งนั้นวิธีการปฏิบัติแบบนี้กลุ่มคนคนโน้นมาติดกับตัวเราก็สงสัยว่าเอ๊ตัวเราเนี่มาเป็นยังไงจะตายแล้วจะไปไหนมันจะวุ่นวายไปหมดรวมถึงเรื่องภายในภายในเราด้วยนะเชื่องการปฏิบททัติธรรมนี่ความที่ว่าเอ๊ยวิธีนี้ได้ไหมแล้วถ้าเอาวิธีนั้นมาทําแล้วจะเป็นยังไง ลักษณะความที่มั่นใจผิดที่หรือความไม่มั่นใจเลยนั่นแหละมันวิจิกิจฉาจะแก้เจ้านิวร์ทั้งหลายเหล่านี้ตั้มบุฟังทำยังไงน้ำที่มันมีจอกแนบปกกลุ่มอยู่ทำยังไงน้ำที่มันมีลมสันวันไหวพัดมาเป็นคลื่นอยู่ทำยังไงน้ำที่มันมีเปลือกตมมีความขุ่นอยู่เนี่ย จะให้มันใส่ปิงได้จะให้มันสว่างได้จะทำยังไงให้คนที่ติดคุกอยู่ออกจากคุกได้จะทำยังไงให้คนที่ตกเป็นทาสกลายเป็นไทยเป็นอิสระขึ้นมาได้จะทำยังไงให้นำทรัพย์เดินทางผ่านข้ามทางอันกันดานไปสู่ที่ปลอดภัยได้เราต้องรู้ตัวของเราซะก่อนทำมาฝังนิวรณ์ทั้งสามอย่างนี้ทีนิมิทะ กุจักกุกุจและวิจิกิจฉามีไหมในจิตใจของเรามีไหมมีไหมคือไม่ใช่ว่าไม่มีก็เอาไปใส่ให้มันมีนะแต่เราดูด้วยสติงไงให้ระลึกถึงอะไรให้เข้าใจตัวมันในไร้ามันเกิดแบบง่วงละเหงาละเริ่มซึมเศร้าและเริ่มหดหูล ะ, ะจับมันไรจับมันไรรู้ตัวซะก่อนรู้ตัวอ๋อความหดหู ความขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วยังคนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอมือถือเนี่ยแล้วก็ลูดไถมันทั้งวันเนี่ยสองสามชั่วโมง4ี่หชั่วโมงบางทีเนี่ยไถดูอยู่แต่กับ TikTok i n s t a g ต a m กรม t u b e Facebook ลูดแล้วก็ลูดอีกวางลงไปไม่พอสองนาทีก็จับหยิบขึ้นมาใหม่เราจะกำจัดนิวรณได้ก็ต้องตัดวงจร อ, อาหารของมันซะก่อนต่งาง่า ตัดวงจรอาหารคือทุจริตสประการทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาและทุจริตทางใจสามอย่างนี้เป็นอาหารของนิวนรณ์ห้าประการมันเริ่มจากการที่เราคิดดีพูดดีและกระทำทางกายให้มันดีสีนี่แหละอธรรมดาศีห้าคนที่เป็นซึมเศร้าก็รักษาศีห้าได้ถูกไหมโอเคดีนัคือทางกายเราได้รั ตามาอีกทางวาจาจะพูดเอา้าอย่าพูดโกหกอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดเบอร์เจอร์อย่าพูดคำหยาบแต่ให้พูดคำที่จะฟังดูแล้วรื่นหูจเจริญใจให้กล่าวคำที่จะให้สมัครสมานสามัคคีกันระลึกถึงกันให้กล่าวคำจริงให้กล่าวคำเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยมีที่อ้างอิงให้กล่าววาจาที่ไพเราะสนุกหู ฟังดูแล้วมันรื่นหูฝืนเอาแบบเฟกเอาวง่างนี้เลยเฟกเอาพูดดีๆมันยังดีกว่าพูดไม่ดีไงต่อให้ภายในเราถ้าแบบฉันหงุดหงิดฉันไม่พอใจฉันเครียดแต่อย่าด่าคนนะนะฝืนเอานะยิ้มแยม้มแจ่มใสน่ะลักษณะทางกายฟิสิโล l o เนี่ย มันมีผลต่อสภาวะทางใจตั้งว่าคนที่แบบนั่งหอ่อๆไหลตกกลมหน้างุ้มคอลงไปเนี่ยสภาวะจิตใจมันจะหดหูโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรานั่งอกภายไหลปึงคางชดขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆจิตใจเป็นคนละแบบนะสังเกตดูตัวเองก็ได้ลักษณะทางกายก็มีผลต่อสภาวะทางใจ ทางวาจาก็ด้วยถ้าเราพูดสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆพูดสิ่งเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยเออมันก็มีผลต่อสภาวะจิตใจไงอดเปรียบเทียบดูส่วนต่างกันเลยว่าต่างมีคนด่าเรามีคนพูดใส่ร้ายเรามีคนพูดให้เราเราสะเทือนใจไหมเราหดหู่ไหมอันนี้คือได้ยินนะแล้วถ้าเราพูดเองอ่ะคือได้ยินจากภายในของเราเองอ่ะโอ้มันก็ยิ่งจะหดหู่มากขึ้น ตำหนะิตัวเองด่าตัวเองหยุดหยุดหยุดพูดไม่ดีแบบนั้นไม่ดีหญิ่งพูดกับตัวเองไม่ดียิ่งไม่ดีเลยพูดกับตัวเองพูดให้มันดีๆพูดทั้งเนี่ยคือรวมถึงคนอื่นและคนตัวเองด้วยนะคําพูดนี่บางคนนี่ชอบคุยกับตัวเองที่เราคุยกับตัวเองแล้วเปล่านนั่นแล้วคุยกับตัวเองแล้วนะคุยกันแล้วพูดกันแล้วพูดเรื่องดีๆตั้บ่ฝังพูดเรื่องดีๆให้เกิดความรักความสามัคคีนั่นก็เป็นวจีสุจริตขึ้นมาละ ทางใจทำยังไงทางใจเราตั้งดิ่งไว้อยู่ต่อกับพุโทโธธรรมโมสังโฆ ค, คือให้มีความมั่นใจให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเคลือบแคลงความไม่หลงใจเนี่ยมันทำให้เราไม่มั่นใจทำให้เราไข้แผลแยกเป็นสองทางยังรวมถึงความฟุ้งชา่านความง่วงซึมความ เงาหงอยด้วยหดหูด้วยแต่พอเรานึกถึงพุทธโทธธรรมโสังโถการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าธรรมกำสอนที่ประกาศบอกไว้อย่างดีและการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบสามอย่างนี้จะเป็นที่พึ่งของเราสติไงตัมบวังสิ่งที่เป็นสุจริตสามประการคือทางกายทางวาจาและทางใจ จะเป็นเหตุเป็นอาหารของการเกิดขึ้นแห่งสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ในที่นี้เราเจริญธรรมนุปัสสนาสติปัฏฐานคือให้เข้าใจถึงเรื่องของนิวรณในจิตใจของเราว่ามันมีไหมมันมีเรารู้ว่ามันมีนานแล้วคุณมีสติในธรรมะคือนิวรณนั่นแล้วมันต่างกันกับตอนที่เราเพลินไปเคล่อมไปนะ ถ้าเคลิ้นไปเพลินไปนะคือเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับความฟุ้งซ่านนั้นจะฟุ้งซ่านแล้วพูดอย่างเงี้ยคือคุณเคลิ้มไปเพลินไปเป็นส่วนหนึ่งกับความฟุ้งซ่านแล้วหรือว่าฉันสงสยัยฉันก็เป็นอย่างเงี้ยกี้สงสัยฉันก็เป็นคนอย่างเงี้ยรำคาญใจฉันก็เป็นคนอย่างเงี้ยชอบซึมเศร้าในการที่ว่าเรามั่นใจไปเลยอะว่าฉันแบบทําไม่ได้เลยคือคุณเพลินไปกับมันแล้วไง คุณเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับมันแล้วไงคุณเคลิ้มไปกับมันแล้วไงนั่นคือทุจริตทางใจแล้วไงเกิดขึ้นแล้วนี่ทีนี้เราจะตัดอาหารของเจ้านิวรณรามันทุจริตสามอย่างมันทำใหนิวร์เจริญเราเอาสุจริตสามอย่างมาใส่ลงไปกายวาจาเรารักษาด้วยศีลทางใจเราให้มีพุทโทธตโมสังโฆแทนที่จะไปนึกว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เอานึกถึงพุทโธนึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านึกถึงคนที่เขาปฏิบัติปฏิปรติชอบนึกถึงคนที่เขาทาได้แล้วเกิดขึ้น มีไหมมีให้มั่นใจสิว่ามีก็พูดอยู่นี่ว่ามียืนยันนั่งยันนอนยันเดินยันอยู่นี่ว่ามันมีมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นั่นแหละจิตใจเรากิจ ด, ดีละจิตใจคิดดีนิดหน่อยพูดดีนิดหน่อยทําดีนิดหน่อยนั่นก็เป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นนิดหน่อยเรากําจัดไอ้เช่าทุจริตสามอย่างลงได้นิดหน่อยอาหารของนิวรณ์ก็ลดลงนิดหน่อยถามต่ออีก เราคิดดีพูดดีทำดีมั่นใจสติประฐานสีก็มีกำลังมากขึ้นในการพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีอ่อนกำลังลงนิ้วหันก็เบาบางลงสติมีมากขึ้นความเผลอเปลื่นลดลงสติมีมากขึ้นความประมาทลดลงสติมีมากขึ้นความระลึกได้ตา ม, มาสติมีมากขึ้นความหลงลืมหายไป คือพราอเราแยกตัวออกจากมันมามองมันมาจากมุมที่สามคือแยกตัวแล้วอ๋อจิตเราเออมีความฟุง้งซ่านอยู่อ๋อจิตเราเออมีความง่วงอยู่จิตมันจึงแยกออกเลยด้วยสติตรงนี้เลยการแยกแยะแยกตัวกระบวนการนี้มันจึงเกิดขึ้นได้แยกออกจากกันทีนี้มันยังอยู่นะมันยังไม่ดับแน่นอนเพราะว่า ถ้าอาหารก็มันยังมีอยู่มันยังมีเชื้อเหลืออยู่บางทีมันก็ยังยิงอยู่นะเหมือนไฟดับแล้วแต่ความร้อนมันยังอยู่นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันจะค่อยหายไปดับไปอย่าไปเพิ่มอาหารมันอีกนะความร้อนที่มันมีนี่ถ้ามันมีเชื้อหรือมีออกซิเจนไปเติมเข้าบางทีมันกลับติดเป็นเปลวไฟขึ้นมาใหม่นะเอออย่าไปให้เชื้อกับมัน ต้องระวังมีสติประคับประกองไว้เพราะเรารู้จักที่จะดูว่าจิตโกเรานั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วและเป็นกระบวนการการแยกแยะโดยทันดีประวัาสติเกิดขึ้นจิตไม่เปลือเปลนไปค่้อยไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นทุกคนทำได้ตูมฟังความเลอเปลนเนี่มันเนียนนุ่มมาบางทีเราไม่สังเกตมันก็ไม่เห็นแต่มันอยู่ทนโทษนั่นแหละ ไม่ได้จะสังเกตยากแค่เราตั้งสติเอาไว้เราไม่เพลินไปตามความหม่วงซึมความหดหู่ที่อยู่ในใจความหดหูม่มีใช่ไหมมีมีความขี้เกยียจมีใช่ไหมมีความฟุ้งซ่านําคาญใจความเคลิบเคลงเห็นยากไม่ลงใจมีมีอยู่สงสัยเอาคําถามนั้นยกมาเลยยกมาเลยตั้งไว้เลยถ้ามีคําถามข้อนี้โอเคคุณมีเดี๋ยวจิตไปเรื่องนั้นเดี๋ยวจิตไปเรื่องนี้แยกออกมาอีก เอานี่มันเกิดขึ้นแล้วความฟุง้งซ่านพอแค่เรารู้ตัวนะรู้ตัวว่าไอ้ความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นแลังอะไรเงี้ยงะไรงีมันมาแล้วทักมันเลยทักอารมณ์สกิดอารมณ์สังเกตดูอารมณ์รู้ตัวนี่แหละมันคือสติการที่เราไปสังเกตดูมันทักมันเห็นมันนั่ น, ม, นมีสติแล้วสติเกิดขึ้นแล้วทันที พระพุทธเจ้าเนี่จึงเรียกชื่อให้เราสามารถที่จะรู้ตัวมันได้ recognize ได้ recognize ได้ว่าถ้ามีอาการอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าตินมิถะนะมีอาการอย่างนี้ก็เรียกว่ากาเมฉันตานะมีอาการอย่างนี้คือปัญาบาตนะภายในภายนอกนะมีอาการอย่างนี้คือฟุ่งสั้นนำการจารนามีอาการอย่างนี้คำถามเยอะแยะมากมายไม่มีที่ตั้งไม่มีหลักฐานเนี่ยมันวิจิกิจารนา พอเรารู้ตัวอ๋อนี่วิสิกขากเกิดขึ้นพุมเลยทูกฝังสติเรเกิดขึ้นดันดีเลยเพราะว่าท่านบัญญัติไปแล้วไงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคลี่ออกเปิดออกบอกไว้ว่านี้คือนี่นั้นคือนั้นเอ่มันมาแล้วถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้ตัวมันจะเพลินไปตามอารมณ์แต่พอเรารู้ว่านี้คือนี่ความเพลินลดลงดันดีความรู้ตัวนั่นน่ะคือสติสัมปชัญญะ พอเรารู้ตัวแล้วตัดวงจอรอาหารของมันทันทีหยุดท่อน้ําเลี้ยงของมันเลยคือบีบแล้วมันเริ่มจะตีบแล้วมันจะอยู่ได้นานเท่าไรมันจะค่อยอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงอย่าเผลอนะแต่เผลอนั่นคือลืมสติทําไมเผลอนั่นคือมีสติพอไม่เผลอไม่เผลนสติตั้งมั่นสิ่งเหล่านั้นจะค่อยอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลง เพราะว่าจิตของเราเนี่ยตรงฝั่งมันมีพลังถ้าเราตรีตรึกคิดนึกไปทางไหนจิตเรามันจะนอนไปทางนั้นจิตเราน้อาคลายเคลื่อนไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังตรงกันข้ามก็จริงนะในเจ้านิวร์เนี่ยมันสูบดูดกินพลังของเราพลังจิตนี่อยู่ตลอดเหมือนซอมบี้ดูดเลือดเราเนี่ยเราผลิตเลือดมันก็ดูดสูบไปกินอีกจิตใจเราอ่อนลงอ่อนลงหยุด ท่อนำเรียงของมันจ้ะตรงกันข้ามก็คือว่าถ้าเราไม่ตรึกตรึกไม่คิดนึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่นอมไปทางนั้นจิตเราไม่นอมไปทางไหนสิ่งนั้นก็เป็นยังไงอ่อนกำลังพอเรามาตั้งอยู่กับสติสตินี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าต้องใช้ลมนะหรือไม่ได้ไหมายถึงว่าต้องใช้พุทโธธรโมสังโคมันมีเครื่องมือหลายอย่างในที่นี้เราใช้ธรรมะธรรมนรานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือความรู้ตัวความที่ว่าเห็นว่าเอ้ยมันมีสิ่งนี้ในจิตของเราระลึกได้ขึ้นมานี่ความระลึกได้คือสติสติคือความระลึกได้จิตมานึกถึงอะไรนึกถึงธรรมะข้อนี้มันมีอยู่คือไม่อยู่กับความรู้ตัวตรงนี้มาระลึกถึงความรู้ตัวตรงนี้จิตก็มาอยู่กับวิญญาณการรับรู้แดนถอนออกมาแล้วไม่ได้ไปอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ได้ไปอยู่กับธรร ม, มารมณ์นั้นแต่จิตถอนออกมาอยู่กัน รับรู้คือวิญญาณการรู้แจ้งและจิตวิญญาณกับจิตเนโครลานกันนะอยู่ด้วยกันปุ๊บจิตมันมาตั้งไว้ตรงนี้มันก็ไม่เพลินไปตามธรรมารมณ์นั้นสิ่งนั้นก็จะเป็นยังไงอ่อนกำลังอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจนกระทั่งมันหายไปทับไปจิตที่มีสติตั้งไว้จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ สมาธิจึงเป็นเครื่องมือตัวังที่จะกําจัดเจ้านิวรณ์โดยการที่จะสลัดหลุดมันไปได้ก็จะมีโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรูร้รำเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าพอเราคิดดีพูดดีทําดีพูดดีทําดีโ ด, ด, ด, ดยศีลคิดดีโดยการนึกถึงประวุทธประรั�ประสง์เป็นอาหารของสติปัญสีให้เรารู้ตัวตั้งจิตมั่นไม่เปลยนไปตามอารมณ์ต่างๆได้ รู้ถึงชื่อมันรู้ถึงลักษณะของมันจิตเราถอนออกทันทีมันตั้งไว้อยู่กับวิญญาณจะทำให้มีพ่ชงเจตเกิดขึ้นมีพ่อชงใจเกิดขึ้นแล้วก็จะกำจัดนิวรา์ไปโดยอัตโนมัติให้ระวับบงรักษาจิตที่สงบจิตที่เป็นอารมณ์เดียวจิตที่ตั้งมันนิไว้ให้ดีในช่วงของจิตตวิเวก ที่จะให้ธรรมฟังมาฝึกทำจิตให้สงบนั้นก็จะมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตี5้ถึง6โมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆธรรมฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคส โดยเสิร์ชจากคำว่าปัญญาภาวนาหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ตั้มบุฟังปัญญา .ORG P A N Y A.ORG รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาภัยบูณอภิปุณโ น, โนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริมพร